ขอความเจริญในธรรมจุมมีแด่ท่านผุ้ังทลายและรมประพฤติยานได้นำเสนองานปฏิรูปการศึกษาเน้นในประเด็นของการปฏิรูปศา ส, สนาและวัฒนธรรมในรายละเอียดก็มีศิละปะอยู่ด้วยหรือถ้าเรามองถึงองค์กรบริหารในปัจจุบัน คือเป็นการพูดถึงงานของกรมการศาสนากรมศิลปากรและสำนักวัธรรมแห่งชาติซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นงานที่ยึดโยงอยู่กับพระพุทธศาสนาศิลปะก็เป็นศิลปะของพุทธวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็เป็นวัฒนธรรมพุทธที่เป็นปรรดาใหญ่ก็คือมีศาสนิกในศาสนาอื่นมาเป็นคณะกรรมการร่วม รับผิดชอบในงานเหล่านี้อยู่ด้วยในขณะที่งานด้านาศาสนาของเขาแล้วก็ด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมของเขาที่จริงท่านได้สายตรงศาสนานี่เรียกว่ามีน้อยมากนะด้รบการเพียงแต่อุปธรรมส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ไม่มีใครเข้ารล่วงไปบริหารอะไรเขาได้ นอกจากส่งเสริมสนับสนุนอุปถัมภ์คุ้มครองแต่นั้นเองคือตั้งครามได้โปรดสังเกตเนะว่าการคุ้มครองเนี่ยมันทุกชีวิตได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วไม่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือกฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่ก็ตามเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ว่าคุ้มครองรัฐอยู่แล้วก็ เ, เป็นการใส่ขึ้นมาเรือแสดงถึงคล้ายๆก็มีข้ออุปการนะครับ แต่จริงมันเป็นหน้าที่คล้ายๆกับพ่อแม่ในี่มีน ห, น ห, นนหน้าที่ดูแลรักษาลูกโดยกำเนิดเพรานันปัญาที่หนักใจที่สุดก็คือข้อนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราจะขอให้เอาตัวแทนศาสนาอื่นออกเขาก็ไม่ยอมที่ให้ออกนี้ไม่ใช่รังเกียจแต่มันไม่เกี่ยวกับเขา เป็นลักษณะร่วมแต่ไม่ใช่เอามารวมกันและในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ระบุข้อความว่างานาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมของาศาสนาใดใอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรบริหารสูงสุดในศาสนานั้นๆก็ทำไม่ได้มันถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันก็ต้องออกมา ในแนวที่เวลานี้เนี่ยความคิดตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อคือโดยเย่างยิ่งอัตมาก็จะคุณธรรมบิดกม า, ามีคณะทํางานเราก็ทํางานกันอยู่หลายท่านเราเคยไป z ุ o m เราเลยร่วมหลักความคิดเราเื่องลงมติกันผลความเห็นมันก็ตรงกันเราขอมติแป่ในส่วนต่างๆของประเทศและที่ส่งกลับมาแล้วมันก็เห็นร่วม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคยเจ้าคุณธรรมปิฎกก็ไม่ได้เคยติดต่อประสานกันผู้คณะกรรมการเหล่านี้ก็ไปพบท่านความเห็นก็ทําก็งตรงกันที่เราลงมติมันก็แสดงให้เห็นว่าชาวพุทธที่มีความรู้เรื่องศาสนาพอสมควรนะจะมองเห็นว่าปัญหาในมาตราสิบเจ็ดนี่จะสร้างปัญหาความแตกแยกขึ้นในบ้านในเมือง แล้วก็จะกลายเป็นเรื่องการกระทบกระทั่งทางศาสนาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะที่จะแก้ไขเพราะว่ า, าศาสนาไม่ใช่เรื่องเฉพาะประเทศแต่เป็นเรื่ององค์กราศาสนาโลกคริส ก, ก็มีทั่วโลกอิสลามก็มีทั่วโลกเราก็มีทั่วโลกนั่นเลยมีทั่วโลกเฉพาะาศาสนาใดศาสนาหนึ่งศาสนาซิกเองเขาก็มีนะนอกจากประเทศอินเดียเขก็มีอาจจะไม่ทั่วโลกหรอกแต่ก็มีมา รามินดูก็ก็มีและปัญหาว่าบ้านเมืองมีปัญหาเยอะแล้วอ่ะจะทำยังไงจะไปเพิ่มพูนปัญหาให้มากกิ่นขึ้นแต่นั้นมติร่วมของพุทธบริษัทต่อการไปรูปการศึกษาวันนี้ก็เป็นวันที่เก้านะคหรือพรุ่งนี้วันที่สิบนี่จะมีคณะบุคคลไปยื่นหนังสือต่อรัฐบาล วันหน้ามาก็คงจะพูดเฉพาะวันทีกาก่าวันที่๑๒วันโอกาสต่อไปเราก็มากลับมาสู่เนื้อหาในธรรมจักรกัฒตนสูตรต่อไปก็ถือว่าพักมาพูดเรื่องที่อยู่๑๐วันนะฮะตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๑๐มตีที่ตกลงร่วมกันแล้วจะพยายามขับเคลื่อนให้ดําเนินไปเต็มตามกำลับบงความสามารถเป็นเงื่อนไขในการต่อรอง คือตั้งฝั่งได้ปรดสังเกตว่าการต่อรองนั้นจะต้องยึดพื้นที่มากที่สุดแล้วเมื่อผ่อนปลนก็ค่อยถอยกันทีละตาวเพราะถ้าไปตั้งรับในที่ไกลๆเนี่ยมันต่อรองอะไรไม่ได้เรามองเป็นภาพรวมว่าถ้าจะไปตีรูปในการบริหารการจัดการตามกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับการอุปธรรมคุมค้มครองพระพุทธศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมซึ่งเรือนี้มันไม่ไปเกาะติดอยู่ที่มาตราสามสิบแปดกับมาตราที่เจดิบสามมันไหลามานะฮะคือว่าเป็นการไหลามาเรื่อยเลยมาตราที่สามสิบแปดมาตราที่เจ็ดสิบสามหรือแม้แต่มาตราที่แปดสิบเอ็ดนี่ไม่ได้อ้างไว้ในพระราชบัญญัติการสารชา พราดัดการส า, หารแห่งชาติอ้างมาตราที่ยี่สิบเก้ากับมาตราที่ห้าสิบเราก็ไหลามาตกลงเวลาเนี้ยมันก็กระจายอยู่ในรัฐธรรมนูญห้ามาตราที่ตลกก็คือมากระจายอยู่ที่มาตราที่สาิบแปดกับมาตราที่เจ็ดสิบสามนี่มากเป็นพิเศษเฉพาะกรรมการชุดนี้นะก็เพร อ, อะไรเพราะว่ามันเป็นนึ คือจับเอาศ า, า, า ส, า ส, าสนาศาสนาศีลปะว่าทำใส่เข้าไปเฉยๆในกระบวนการของการไริรูปจริงนั้นเป็นความคิดมาจากการศึกษาพอใส่เข้าไปเนี่ยดูแล้วไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีที่ไปที่มาก็เลยก็ต้องไปเกาะบางทีก็ลอก ข, ข้อความในรัฐธรรมนูญมาเลยซึ่งในลักษณะของกฎหมายก็เป็นอย่างนั้นแนะ่ะแต่ว่าที่ขำก็คือว่า คือบางคนจะอ้างมาก่อนนะควรจะอ้างมาแต่ตอนต้นมันไม่ควรจะมาพูดในตอนหลังอาศัยอำนาจตามความแแมงมาตรานั้นๆกี่มาตราก็ว่ากันไปแล้วก็ออกมาเป็นพระจิตบัญญัติมาติข้อแรกบอกว่าให้รัฐจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระในนามสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือแม้แต่ชื่ออื่นคะับ ลักษณะดสำนักเนี่ยมันมีเทียบเท่ากลมแล้วก็ใหญ่กว่ากลมคือเป็นกลมขนาดใหญ่บางทีกรมการศาสนาก็อ้างมาเป็นสํานักงานไอสํานักงานห้องแถวห้องเดียวก็เป็นสำนักงานได้นะแต่สํานักมันจะใหญ่จนสํานักตํารวจแห่งชาติสำนักอัยการสูงสุดที่สำนักพระราชวังสํานักอะไรต่ออะไรเนี่ยสานักงานพระไตรปรมานอสํานักปรมานูเพื่อสันติอะไรต่ออะไรเนี่ย หรือพวกนี้จะใหญ่เพรา ะ, ะรเพราะว่าศาสนาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติให้เต็มที่ตามเนื้อหาของความเป็นาศาสนามันจะมีคุณอุปการต่อสังคมมากแต่เวลาเนี้ยเราค่อยๆก็อยู่กรงขังหรือค ย, ย, ยับาะเยี้นองค์กรอะไรไม่ได้มันขาดหมดเลยทิจดีซีเอ็มเนี่ยขาดหมดเลย คือตั้งการบริหารการจัดการทั้งการทำงานแล้วก็ทั้งเรื่องงานออทั้งงบประมาณเนี่ยมันขาดไปหมดเรามันเหมาะสมอยู่ในโลกเมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะก็ถ้าหกสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่ว่าในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนองค์กรพระพุทธศาสนาเองก็ต้องปรับเปลี่ย น, ย น, ย น, ยนในการบริหารการจัดการไม่ใช่ว่าปรับเปลี่ยนตัวศา ส, สนธรรมศา ส, สดานะครับ เปลี่ยนวิธีการขับเคลื่อนที่จะนำพระพุทธศาสนาไปวันการจัดองค์กรเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นอิสระมันไปยึดโยงอยู่กับรัฐบาลถึงว่ากระามความเป็นจริงเนี่ยโดยทิศทางกระแสทางการเมืองเวลานี้ก็คิดว่าไม่เกินแปดปีนะครับ โอกาสที่ศาสนิกในศาสนาอื่นจะมาเป็นรัฐบตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นไปได้แล้วก็เห็นตัวอยู่แล้วนะะเวลาเนี่ยแล้วเขาก็พยายามเข้ามาทีถึงแล้วแล้วเราก็เคยคักค้างกันออกไปแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเงื่อนไขทางการเมืองมันมีการต่อรองแล้วเขาก็อยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในภ ก, การเมือง ก็เป็นตัวเด่นตัวหนึ่งนะครับาโอกาสที่เขาจะเข้ามาเนี่ยก็มีได้แต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคิดว่าสี่ห้าสิบปีเนี่ยไม่น่าจะเป็นศาสนิกในศาสนาอื่นเคยจะเลือกไปสังกัดแต่สังกัดตัวนายกนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่สังกัดไอ้สำนักประหลัดหรือว่าคณะกรรมการคือเราต้องการยกให้เหนือกรรมการไป พอยู่กระทรวงศึกษาธิการกรรมการเหล่านี้ก็อยู่ข้างลัางรัฐมนตรีไม่มีอำนาจอย่างที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติคืออย่าลืมนะเวลาเราศึกษารายละเอียดเนี่ยมันมีกํากับอยู่ด้วยนะมีอำนาจในการกํากับอยู่ด้วยแต่ว่าต้องนึกถึงภาพว่าศาสนาอื่นอยู่ในตรงนั้นด้วยคือถ้าเราไม่นึกว่าศาสนาอื่นอยู่ด้วยมันก็ไม่มีปนนนัญหาได้หรอก เพราะว่าการบริหารในรูปบอร์ดอย่างนี้นะมันมีอยู่เยอะแม้แต่มาแตมาคมก็มีลักษณะคล้ายๆบอดแต่ว่าก็ไม่ถึงทีเดียวนะฮะเป็นระดับแผนนโยบายท่าไม่ใช่บริหารนะแต่ทนลงมาบริหารก็เลยก็ยุ่งๆนิดหน่อยเพราะฉะัในในกรณีนีออ้ส่วนจะปรับเปลี่ยนยังไงสังกัดอะไรเนี่ยก็ เป็นรายละเอียดแต่แน่นอนว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นการต่อรองนะฮะว่าถ้ากรรมการเหล่านี้ยังมีอยู่เราแยกถ้าเข้าออกไปเราก็อยู่เพราะว่าศาสนาเราศิลปะเราวัฒนธรรมของเราเป็นการพูดในนามศาสนามันจะต้องลงมาในระดับแต่ระดับหนึ่งนะฮะสมมติที่จะถอยก็ถอยมาระดับนี้ แล้วก็เกลี่ยอำนาจหน้าที่ตามสมควรกับฐานะให้ไปสัมพันธ์กับรัฐมนุษย์มาตราที่เจ็ดสิบสามคือรัฐจะต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองบาวุทธศาสนาและศาสนาอื่นเพื่อจะออกมาในรูปที่ว่างานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของศาสนาใดๆ ก็ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรบริหารสูงสุดของศาสนานั้นๆถ้าอย่างนี้ก็ได้นะเป็นกรรมการได้แต่มาไม่ไม่ก้าวไก่กันจะประชุมได้ก็ขนาดแผนนโยบายคือประสานแผนประสานนโยบายกันได้อย่างอื่นเนี่ยก็แยกกันทําำในความมาร่วมกันเฉพาะแผนกันนโยบายแต่อย่าลืมนะการรอกลเอาเปรียบจะเกิดขึ้นได้ เพราะเวลาเนี้ยมันมีการไปติดตามตัวเลขเป็ดดึงไม่น่าเชื่อนะฮะตัวเลขจากสานักสถิติแห่งชาติตัวเลขจาก ส, บสาากอบประก อ, อสสานักไปรูปการศาึกษาแล้วก็ตัวเลขจากฝ่ายแผนของกรมการศาสนาเนี่ย สถิตคนนับถือศาสนาต่างๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ตรงกันโดยผลจะเป็นยังไงนั้นก็จริงๆก็น่าจะฝังตัวเลขเอาไว้มท่านอาจารย์ชำนาญ น, นิสารัตท่านไปรวบรวมเอาไว้ว่าข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติแล้วก็ กองแผนงานกรมการศาสนาตำนตั้งงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่พูดถึงจำนวนประชากรนะฮะแล้วจำนวนสาสนิกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของของจำนวนประชากรทั้งหมดออยอดรวมเราจะเห็นว่าจะต่างกันสถิตแห่งชาติบอกว่าหกสิบล้านหกแสนกว่า กองแผนงานโรงการศาสนาบอกว่าหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนกว่าสำนักการสำนักการคณะกรรมการการศาแห่งชาติบอกว่าหกสิบกล้านสี่แสนหกมื่นก็เรียกว่าห่างห่างจากกองแผนงานไม่เท่าไรทีนี้จำนวนพุทธศาส น, นิกชนอาเปอร์เซนต์ก็แล้วกันนะ สำนัก ง, งานสถิติแห่งชาติบอกว่าหกสิบเก้าสิบสี่จุดห้าสิบ็ดเปอร์เซนองแผน ง, งานองค์การศาสนาบอกว่าเก้าสิบสามจุดสามสองเปอร์เซำนักงานคณะกรรมการการศาแห่งชาติบอกว่าเก้าสิบสองนะฮะเก้าสองุเก้าสิบห้าเปอร์เซนลดลงมาทั้งเปอร์เซ็นต์กว่าเกือบสเอร์เ ไม่ทรบเราอย่างไรเหมือนกันแล้วก็บ่าวอิสลามเนี่ยประชากรสองล้านแปดแสนอันนี้สติเตียงชาติสองล้านแปดแสนกว่าก็เท่ากับสี่จุดหกห้าเปอร์เซ็นกองแผนงานบอกว่าประชากรที่เป็นอิสลามนะสองล้านเก้าแสนกว่าคือเกือบเกือบสามล้านไปก็แสดงว่าสี่จุดสี่แปดแปดี่เปอร์เซน แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการศาแห่งชาติบอกว่าสามล้านกว่าเลยสามล้านสองแสนกว่านะฮะรวมแล้วห้าจุดสองสี่เอร์เซ็นตศาสนาคริสต์สำนักงานปฏิยงชาติบอกว่าสี่แสนสามหมื่นแปดพันหร้อยคนเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดสองเอร์เซ็นหรือไม่ได้เปอร์เซ็นต์ กองแผนงานเนี่ยบอกว่าหนึ่งล้านหนึ่งมืนสองพันแปดร้อยเ็ดิบเ็ดเปอร์เซ็นต์ไอ้กระจาเจ็ดเ็ดคนก็ได้หนึ่งจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์สํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติบอกไว้ว่าหนึ่งจุดหกสิเอ็ดเปอร์เซ็นต์คือเกือบล้านนะฮะจํานวนเนี่ยอันนี้ก็ต่างกังนอีกละ ฮินดูเนี่ยบอกว่ามีคนนับถืออยู่สองล้านเออสมััยสองพันเก้าร้อยก็เรียกว่าศูนย์จุดศูนย์ศูย์สี่เอสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์กองแผนงานบอกว่ามีคนนับถือตั้งสอง0มื่นกว่านะสองมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่ห้าคนก็คือศูนย์จุดศูนย์สามสี่สามเปอร์เซ็นต์สมัชงานสถิติแห่งชาติไม่ใช่สำนัก ง, งานการศาึกษากับกรรมการการศาึกษาแห่งชาติบอกว่า สองมืนกว่าเลยนะสองมืนก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าได้ศูนย์จุดศูนย์สี่ปรเซ็นตศาสนาซิกไม่ได้เปอร์เซ็นต์ของจื้อเนี่ยไม่ได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็ศาสราอื่นอื่นตลอดถึงไม่มีศาสนาเราจะเห็นว่าข้อที่น่าสังเกตก็คือสถิติของสำนักงานคณะกรรมการการสาหแห่งชาติเนี่ยคลัดเคลื่อนจากสถิติแห่งชาตินีมาก ที่สำคัญคือว่าเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศขึ้นเนี่ยมาเกือบล้านนะฮะแปดแสนกว่าเพิ่มศาสนกอิสลามขึ้นอีกสี่แสนกว่าเพิ่มศาสนาคริสต์ขึ้นมาอีกห้าแสนกว่ามากกว่าเท่าตัวนะฮะแล้วเพิ่มลดศาสนาของพุดลง1ึงแสนแปดหมื่นคือเกือบสองแสนคนเขาบอกว่าอะไรนะครับเพื่อ จัดทำเนี่ยจัดปฏิรูปการศึกษามันก็มองให้เห็นในเจตานาที่คนข้างพิกลนะเพราะว่ามันเป็นการเรียกร้องสิทธิเสมอภาคทีนี้คนหนึ่งถ้าตัวเลขมันน้อยเกินไปเนี่ยมันรู้สึกยังไงอยู่ก็เลยก็เริดเพิ่มให้แล้วก็ไปลดพุดลงดืด้อนะฮะเพราะก้นพุดก็เหลือแค่เนี้ลดลงไปเกือบสองสองแสนคน เจตนาก็เป็นยังไงแนละเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าแปลกว่าองค์กรของรัฐด้วยกันเนี่ยแต่ตัวเลขที่ควรแก่การเชื่อถือนะฮะคือสํา น, นักงางสถิตแหงชาติว่าเปราะเพราะว่าเป็นงานของเขาโดยเฉพาะหลังจากจุดตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมีกระแสอะไรชอบคนดูแต่เราไม่แยกออกมาเนี่ยปัญหามันจะติดตามมาอีกเป็นมากแล้วก็อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในชาติบัณฑเมืองซึ่ง แกปัญหาเศรษฐิจถ้ได้นะอย่าสร้างปัญหาศาสนาอย่าสร้างปัญหาสังคมอย่าสร้างปัญหาในด้านดื่นๆขึ้นมาอีกซึ่งมันก็มีอยู่แล้ว่นะแต่หมามยความอย่าเพิ่ปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็คือประเด็นที่ต้องแยกออกไปส่วนจังกัดอะไรต่ อ, อะไรเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่ชัดเจนอะไรนะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องจริงๆคนที่จะ ออกมาเป็นกฎหมายที่แท้จริงเนี่ยก็คือพวกสภาผู้แทนราษฎรในวุีิสภาแล้วก็ที่จะเปลี่ยนยติจะแปลยติกันได้มันอยู่ในววละที่สองก็คงแถวเข้าใจว่ามันน่าจะนู่นแหละปลายปีหรืออาจจะต้นปีสีห้าแต่ว่าเขาจะเข้าเสนอคณะบุตรีในวันที่สิ บางทีเต้องทำความเข้าใจแล้วก็ให้สัญญาณเตือนที่น่าดีใจก็คือว่าญาติโยมที่รับรู้เรื่องนี้นะฮะมีความเพียรพยายามที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็มาลงทุนช่วยกันบริจาคพิมพ์หนังสือไม่ยกย่องไปอ ย, ย่าหยียบย่ำเดือดมายบแพงเรียบเรยงยนี้ยฮะก็ เข้าใจว่าโยมคุณหมอรัศมีกับคุณนายสมปองก็ต้องการได้พิมพ์เผยแพร่จำนวนแสนเล่มแต่ว่าก็ทยอยพิมพ์แล้วคนก็บอกว่าไปหาไปติดต่ อ, อยากอะไรเนี่ยรู้สึกจะไปเอาที่โรงกยาบาลกรุงเทพอะไรต่างๆนี่ดังนันนก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ลดลงมาเขาก็พยายามาจะมพิมพ์เผยแพร่ เผยแพรไปในหมู่พุทธศาสนิกชนเพราะงานในตรงนี้ต่อไปเราก็ติดต่อสื่อสารกับชาวพุทธในทั่วประเทศที่ถ้าหากว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เงื่อนไข ท, ทางทางรัฐธรรมนูญมีลายซื่อชื่ออะไรต่างๆเดี่ยวมาเองไม่ปรารถนาให้เกิดอย่างนั้นน่คือมันมีความรู้สึกว่ามันควรจะพูดกันได้เพราะว่าถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยท่านเหล่านี้เพียงแต่ยก่าง แล้วท่านก็ร่างตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะทำได้แม้จะท่านกระจายออกไปมันก็มีรัฐธรรมนูญคุ้มครองท่านแต่ยังเหลือขั้นตอนอีกเยอะเลยคือเราจะโทษรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้นะเขาไม่รู้นะเพาไมรู้เขาร่างอย่างไงแล้วก็รัฐบาลทักษิณนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วก็ใจว่ายังไม่ได้มีการศึกษารายละเอียดกัน วันพอศึกษารายละเอียดมีการทําความเข้าใจในมุมของศาสนาเนี่ยหรือมันควรจะพูดกันได้นะเหมือนต้องเชื่อมั่นว่าทุกคนในหวังดีต่อพระพุทธศาสนาหวังดีต่อทุกศาสนามัจจุราชนาหวังดีต่อทุกศาสนาแต่หวังดีต่อศิละปะวัฒนธรรมของชาติเพราะว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความเจริญก้าวหน้าของชาติปัรพินทร์เราซึ่งก็ควรจะ รวมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหานเหล่านี้โดยวิธีที่เรียกว่าสันติวิธีนะฮะที่เราชอบพูดกันเนี่ยคือแม้แต่ว่าไปเดินไปยึดหนังสือจำนวนคนมากๆเนี่ยมาเองยังไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะแต่ว่าโยมก็ทำกันก็ไปเดินของเขาตัวรู้ึกว่ามันเป็นภาพแล้วมันสื่อสารมวลชนก็ไปขยายบางทีมันไม่ตรง คืนซื้อพิมบางทีเราก็พูดกันอีกเรื่องหนึ่งจะไปลงอีกเรื่องหนึ่งแล้วต่างชาติยังไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อาจจะลงไปแล้วกลายเป็นว่ามีการตังเกเียรติเดฉันทางาศาสนามันก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามภารกิจในการดูแลรักษาระศาสนานั้นเป็นภารกิจร่วมกันของพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายเพราะเป็นมรดกที่บรรพชนนําสืบต่อกันมาที่สําคัญอย่างยิ่งว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาสร้างชาติรักษาชาติแล้วก็พัฒนาชาติประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเราจะปล่อยให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นเนี่ยย่อมไม่ได้ยูดีเพิ่ฟังทั้งหลายแต่รลมาพุทธยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกรณีที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไพบุญในธรรมจะมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตรวกันสวัสดี